ตอนเจวีนสอนอนตั้งแต่น้อยเจ้าสู้ฟังบรินารเ่าหายเซตหน้าต้องตั้งสอนของเจ้ามาว่าทู้ฟังเวลาระกุนเทเจ้าแทวเป็นหายญาตโน้มเสดทาง สำหรับกะลาวะหนาจโจมกะลาวะคู่คฟองเลือ น, สส ท, น, น, น, น, น, นทั้งทานอาศุเป็นไอ้วันศิลวะตาไอทัมบูนทานศิล บ, บูนทานศิลภาวนาทัมบุตรภาวนาความหมายอันเดียวกัน ไปวัดทับปูนไปวัดทำปูนก็ต้องทำสันติาอัดคอทำอัดสีพี น, นอกอัดนุ่มก็เป็นบาปเ พ, พราะเขาบิดบ้างมากแตต้องทับขันพระเจ้าปรารงเขาบอกทำไปอัดสีบอกอัดนุ่มบอกกันมาทำปุนเด้อในม้อนหลวงปูม า, า, ามผ้าทำบุนเด้อ กับผ้าทําแล้วเมื่อกี้เห็นว่าถ้ำปูนชุดท่าย่ทยทำท่านก็ได้ใช้บาทแล้วพรตาหารจัถวายพระสงฆ์ไปแล้วนั่นศินกับจุนในใจแล้วเห็นบ่ารับไปยังยันจิตัวอีกจันได้ฝากอีกรับจุนัยใจแล้วสมาทานไปแล้วจบอันดับชุดท้ายคือปุน ท่านอาหารกายมีเขามีนม้ำเกีองลงเืีงหฮมที่อยูอออ่อาศัยจะรักษาโลกไม่เียอย่างสำหรับสังขารร่างกายเป็นของคุณพ่อคุณแม่ก็เป็นของเฮาสัางขารร่างกายก็เทียงเกิดแล้วแก่แกบตายโรงพยาบาลไดสิมารักษา พ้นกให้แก่ก็ห้เจ็บก็าหายตายปุญญาตาง่ายไปแล้วเอาหยังไปน้ำพระเจ้าใช้ปากให้ก็ข อ, ขอขึ้นมากีกคือเต่าผมเส้นหนึ่งก็บม่ได้ไปน้ำคือแต่งดีคือหาดีคือปุงดีคือรักษาดีแต่สังขารร่างกายเต็มไปด้วยของไม่สะอาด มีประการต่างๆอย่างนี้แหละว้าได้เหตุดได้ทําได้เห็นได้เห็นจริงบ่ตอนในนกแก้วก็เว้าได้จุดนี้แต่นกแก้วมันหูจักว่าเต็มไปด้วยของไม่สะอาดมันเป็นจังไดรอยากหูจักกับทําบุญอยากหูจักกั็ภาวนาอยากหูจักจะให้รักษาใจว่า มันสตกบกแท้พราะโตเฮามันบทียงแท้เพราะโตเฮาเห็นด้วยใจนั่นเห็นด้วยของจริงพระพุทธเจ้าเพ้าะคำใดเป็นของจริงเมืเ่อเฮามิตรเป็นของปลอมปลอมไม่ปลให้เถอะให้แก่ปลอมก็ให้เก็บให้ป่วยปลอมก็ให้ล่มให้ตาย ไปวังเจ้าล่องฝานกุนเต้เพราะยัย ง, ย ง, อองยไงเก็บเึิมขนออกเติมขนเขาออน้ำเข้าไปมีลมหายใจน้ำขนออกก็จะอ่องหาน้ากันเสียสมัยคว่ำเสียงแฉแน่นอนในสังขารร่างกายก่อนนี่สังขารร่างกายไม่เที่ยงว่าแล้วเห็นว่าหล่งก็พอห้าวขาดทานทําบุญเพราต้องว่าหลายดอกอันทําบุญก็มีสมาธิแล้วก็มีปัญญานั่น วอมรับรู้ในกองสั้งขานเรียวกว่าปัญญานิมนต์พระเจ้าพระสงค์คนไปแสดงธรรมไปลาทรบุญในญาติพี่น้องสามธรรมารสี่ธรรมาเพื่อเอาขอนี่ตัวมาถามกันทรัพย์สมบัตินะกับอริยสัพภายในเอาอะไรเอาองเงินกองทองวไม่พูดอะไ็จะได้เงินท่างถืว่า อะไรจะรับภายในคืออย่างปัญญานั่นเพราะฉะนั้นพระพุทธเจ้าควรต้องเตือนไว้ทำที่เราตถาคตในศัสรูยากที่สามัญชนบนธรรมดาจะดูได้จะรู้ได้จะเห็นได้คนเราชอบจุง้งยุงว่าฝนจุ่มขันเปนพระสบฆว่ารับประกันเป็นมัน่มวกันจะใส่ปุกนั่น อีกเมืออม่อองค์กษัตริย์ก็เมื่ด้ที่ยงนั่งโต๊ะคนือคนว่าหายยงมวยจักก็คนห้อยหยอดยงจากมูยจักคนห้อยหยอดยง ก, กับทำบุญเพราะมีปัญหากันทำบุญนั่นล่ะยาของปอเปี๊ยะเจ้าคือล้มหายใจก็ออกทันรักษาล้มได้เ่ามีเกิดเพมีแย่เ่ามีเก็บ ผมมีตายไงยพระพุทธเจ้าสอนงายแต่คนนอกมักโยงที่ที่กรรมของพระพุทธเจ้าพูะเจ้าได้ะตัสรุภะพระพุทธเจ้าดูใจหาหกปีบีที่หกขุนจังได้ตัสรูุตัว่าเป็นตีได้ะตัสรูเพราะยังสัจจะเหตุมาเมือตะดนลหลายปีแล้วก็ไม่ดได้ตั้งสัจจะก็คือรุษไทยเราสถาปนิติตัสรุยต้องนั่งมือนี่ให้ได้ตัศรูุมือนี่ ันารปดิทัศนรูรปปรก็รูกจากที่ยินบอกคำของผู้เจ้าห้างกับผู้ก็บอกห้จ้ะบอกแล้วทุกมือทุกมือมีคนเห็ด น, นั้นหลวง พ, อพอ่อบอกบอกแค่ไหนก็ท่ำชุดท้ายก็นั่งสมาธิทุกวันวั น, วนละหนึ่งนาทีก่อนนอนเห็ดได้อะจนพระมหาสมบอกมาแต่ทไททับใต้โชกมุดขึ้นไีไ่ว่าพอะไเนี่เป็นปอกผา สามสิบดอกรู้แก่ใจดอกเห็นว so ่าเห็นจักน้เหงปจัดตังทุกจำเพาะให้เหตเองให้ไม่ดูไม่รู้ไม่เห็นเห็นว่าเห็นใจเห็นพระมอกี้เนี่ยเอาไ่เป็นตาเนื้อเห็นใจดิตาเนื้อเห็นมอนรโลกมันยังมอนอโลกในโลกนี่ตั้รวยสวยงามคิดในรายละเอียดทั้งจักวันลำเบื่อสวยงามเป็นมอนลกดิกันชิดกระวดตรลาด แขนจ า, ากล่ำรวยแขนจากสวยน้ามิดมาทะเลาะกันนั่แหละตรงตันฟองฟองตันสวยน้าม้างหึงตันตันใต้ประใดใต้ว่ากบุญยิ่งก็บพระใดเพราะคือเหมืองห่วงเป็นหมนอนรกว่าจะเห็นสวรรค์ว่าเบิ่งลามิจินี่นั่นพระพุทธเจ้าพูดว่ดี๋ ว, วสวรรค์อยู่ทั้งฝ่าเด้ สวรรค์นในอกนรกในใจจากหเหตุจุดนี้พระท่านเสีเยที่เี่เกิดมาพระญยาญยมพิบานไปถามเขาหยุดท่งแยดที่ไปสวรรค์กับพระนิพพานกุลกับเอานรกกุลย้ายตาตั้งใจว่าจะไปรักษาใจว่าจะไปทำบุญได้ทำบ่ไปดูบุญได้ดูบ่ ขันพ่อได้ดูเอาหนังตอบพระเจ้าบันยายตามาจากเมืองไหนมาจากเมืองนรกไปกลับไปเมืองนรกกันพ่อหัจากท้างไปสวรรค์นั่นปฏิเสธก็ได้ด้เจ้ากำเจ้าเวน้นเฮามีตนมีตัวนี่อาศัยเท็จนั้นเห็จนี้หิี่ยวนั่นหิวนี่กับผ้ า, ากันย่งางผหากันตัว แต่ ว, วันนี้กำบีบบังคับหัวใจไว้ได้บ้าบังคับจิตใจไว้ได้บ้ไปไม่ได้ไม่เคยรู้จักทางสวรรค์คือม้าวัดนี่แล้วหมามากุฏนี่แล้วขันผู้เคยมาแต่เรากลัมาถือปับป๊บปับป๊บั๊บบขันผู้เคยมาไปถามผู้บังคัจักก็ บ, บอกว่าถือคนทางไปสวรรค์คือกันนะไปถามผู้บังคับเห็นสวรรค์ก็ บ, บอกว่เป็นคือเขาละนั่นเพระเาะฉะนั้นไปถามพระพุทธเจ้า ไปถามพระพุทธเจ้าพุทธะไปว่าผู้รู้ว่าสวรรค์เป็นสักไหนนรกเป็นสักไหนกัน เ, นาเอาขอหาพระพุทธเจ้าก็หูมัด